ลูกหมอลูกพออลูกพออโรงพยาบาลอำเภอนาโยงไงยังไงซะแหละโผล่เข้าทั้งหลายสมัยเป็นเด็กน่อยนะอยังสี่แหละกรแมนหลงพ่อเนี่ยเป็นแม่หลวงพ่อเอากล้ามปูขีปออกขีเอากไปเลยนะแต่นี่เหตุยังไงระบาดเนี้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 มันจะประมาทเราไหมเลยแ่ถ้าเรายอมตัวระวางตัวอย่างนี้แ ต, แต่บางท่านบางคนก็เอันคงไม่มีอะไรท่านก่อนเนี่ยเหมือนเล่นกับลูกลู ก, ล, กล้านหลานเด็กๆไปอย่างนั้นคือความไว้ใจนี่แหละอันนี้เราเห็นชั้นเชิงเรว่า เ, เล่เรียมที่องค์หลวงตาวางกับลูกศิษย์ลู ก, ลกหาเนี่ยลงพ่อ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 ต่างคนต่างมอง ม, มุมมุมแล้วจากนั้นก็นมาพูดคุยกันเอามาบอกกันถ้าวาบอกกันแล้วยังชี้นำชี้แนะให้กันเหตุผลของใครเหนือกว่ากันถ้าวาดันทุนลังไม่ได้เลยพระกรรมฐานอยู่ด้วยกัน เ, เหมือนเหมือนพี่พี่น้องๆ้องอรักกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่ได้ถือโทษโกรธเครือง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 ไม่ใช่ให้ชนอย่างเดียวนะถ้าหลงถาจะว่าไปหลวงตาสอนในระดับระดับหลวงพ่อเนระระดับสารสอนอแม่ทับฟังกันไนดะ้สอนแม่ทับสอนผู้บริหารไม่ใช่สอนอหัวหน้าหัวหน้าพลหัวหน้ากองพันุ์ผู้พันมีแต่พาลูกน้องลุยอย่างเดียวหลวงตาไม่ได้สอน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 เพราะเหตุไรเพราะว่ามันมันต้องดูชั้นเชิงซะก่อนเราจะลบยังไงพ อ, อเราจะลดลบยังไงเราจะสู้ยังไง เ, เราไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเขาไปสู้ไปออไปตีเขาเลยไม่ได้นะ เ, ออเราต้องออรู้เขารู้เราเออรู้เรื่องรู้เราอ่านให้ทีถ่วนซะก่อนออถ้าเมื่อทีท่วนแล้วยังค่อยว่ากันอันนี้ถ้าเมื่อเรายังไม่ได้อ่านให้ทีท่วน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 สิ่งทุกอย่างถ้าหากว่ามันได้ประโยชน์ชุมชนสังคมต่อพระพุทธศาสนาเออไม่ว่ากันมาเท่าไรเท่ากันหลวงพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่ามีอะไรกับชนไปเรื่อยไม่ใช่ถ้าจะว่าไปลงตาสอนสมัยก่อนสมัยท่านยังเป็นหน่ม ท, นท่านอยู่ในระดับที่สอนท่านก็อีกเนี่ยท่านสอนชั้นเชิงเลเหลี่ยม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 ของพระให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา